คือเราตถาคตคือกันไม่อยังโบทันรูกก็ต้องเป็นไปอย่างสันสกอร์สัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตตัวนั้นเป็นเหมือนกันแต่หากโบมินเป็นเหมือนพระพุทธเจ้ายอวาสสาวกพุท ธ, ธะเขาสวดมนต์กันพุท ธ, ธานุพุท ธ, ธังสามารถสีดิทิถึงอะไน ผู้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้ามีศีลและทิฐิเสมอกันมีความรู้ความเห็นมีความเข้าใจเลิกละจากข่มขั่ได้คือกันกับพระพุทธเจ้าแต่เฮาไ่าได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นสาวกพุทธะบุตรสุดท้ายนี่เพคนสอนเอาไวด้ดีสัตย์ทั้งหลายท่นเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้น แล้วจงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้ใจเห็นจะตเป็นจะมีย่างเราตถาคตนี้จะหอบวเให้ตามหอบวปฏิบัติตามและมันจีรู้จีเห็นจีเป็นจี้มีคือพระพุทธเจ้าได้บอกเราต้องทาลองเบิง้งปีนีทุกองค์พระ เมนทุกองแม่ขาวแม่ดำทุกคนขันคีเกียร์คีคาน้วด้ว่มีทางไหยย่าตึงคนปากดูย่าตึงคนเราดูคนทำงานให้มากทำงานมากแล้วก็รู้เอาหนังสือเขาเขียนไว้ก่อนกมไม่เขียนกอกผมเบาไว้เพื่อนคนจริงต้องปฏิบัติรูของจริงคนจริง แค่โบปฏิบัติจริงมันก็บวก้าวหน้านแล้วอย่าให้มันถอยหลังการปฏิบัติรำมผมไปเหดุโบธนนานนี้บอกซื้อๆกันแล้วเพราะผมมาเป็นคนที่กั่วบาปอยู่แล้วผมอะผมย้ายไปตกนรกเห็นเห็นรูปบ้านผมหมดแต่งรูปอเฮตุวาดรูปไว้ในสิน่งผมเป็นเนรเป็นเด็กน้อยเป็นหน่ว ย, ยในวัดนี่เป็นเนร คนไปตกนรกเจ้าโยมพิบาลเอาโนยนไปตกนรกตูมลงไปะเอาออกมาจากนรกมาขึ้นต้นไม้ขึ้นไปต้นมนีว น, นามทองหลงเวลาขึ้นนหมากัดมันนียินขึ้นไปดังเทลงพุ่นนามยื้อเพื่อปักเขาที่ถอยลงมาหมาเพื่อกัดเป็นอะไรเลือกกัดหมากัดเลือดน้อยเลยพอดีหมดกรรมหมดเวรเอามานอนในเพดเด็กแดง จ้าโยมพิบานเอาควรมาแทะเนี่ยมันเป็นติดสนาเวาให้คนฟังเป็นอย่างนั้นเอาควรเล็กคนทอมาตักโป๊ะโป๊ะก็คือเขาตักไมนก้น้อดวงเสแหละบานนี้พอดีมันซื้อได้ดับประโยนลมวัฒนโลกอีกซ่นตูงลงไปฮอนขึ้นมาบ่นเอาไปขึ้นตรงนี้ขึ้นไปเทงพูดบ่นเวลาขึ้นน้ำซ่องลง เวลาลงหนามทองขึ้นแห้งศพเหล็กศพทองจิกหัวลงไปนี่มันกระจาเป็นก็ต้องไปพอดีหมดกรรมหมดเวลนั้นเราเอาญาญมพิบาลเอามานอนตูมลงแผ่นเหล็ดทองแพ่นเหล็ดแดงอีกซึ่งญาญมพิบาลเอาเยาก่บันทัดมาตีอยากให้มันซื่อนตรงเป็นเนื้อสัตวเห็นได้ตาผมมันเป็นภาพติดตาไว้เพราะมันเห็นบางนใจ น, น้อยๆคนนี่ หากซื้อแล้วแบบ น, นี้เอาไปโยนโลงบนนรกอีกตื้นตูนลงไปตื้นจนหมดกรรมหมดเวรนานคนละเข้ามาปฏิบัติธรรมะก็ต้องสำนึกอย่างสั้นขันถ้าเขาอยากเป็นคนดีเลอนี่ขันยักเป็นคนซั่วก็จำเป็นแล้วว่าบนได้เป็นสัญญานของสัตว์เป็นสัญญานของผีเขาฟังสิลแกได้โนทของยังเสียขันถ้าเป็นคนจริงๆถ้าบนนั้นสัญญาณของสัตว์ เอาสันดานของคนเข้าไปเอาสันดานของมนุษย์เข้าไปเอาสันดานของเทวดาเข้าไปเอาสันดานของพระอินข์ครับผมเข้าไปที่สุดมันก็เป็นพระอริยบุคคลเป็นวะเขาให้ตามเพิ่มแล้วเดชอันนี้มันน่าไหว้หลังหลอกบอดีเวลาการงานเขาต้องการเป็นการงานเป็นงานเป็นเดี๋ยวนี้มันไม่จะมีคนไหว้เนาะปีนี้ขาพยายาม ฝึกกันจริงๆ จ, จังๆเหาเข้าวปา้นตามากะหลายมือแล้วเด้อเหาพยานแต่งอันใดโบดีโบงามเหาะพยานแต่งให้มันดีให้มันเรียบร้อยถ้าห้างเขาปฏิบัติจังตีคนทางอื่นมาเห็นเขาก็มาเบิง้งลูกมูกเขาก็จะเห็นตัวพวกเขาคนใดเป็นอย่างใดคนใดเป็นอย่างใดเขาก็จะได้เห็นพวกเขาการนงผ้า ย่าไปว่าให้การให้งานย่าไปว่าอันอนั้นเนี่ยนุ่งให้เป็นระเบียบยเรียบร้อ ย, น, น, น, อยนุ่งผ้าทํางานให้จังตั้นนุ่งผ้าทํางานใังสิบริเวนนีมันผิดคําสอนของพระพุทธเจ้าให้มันคล้ายคลาคือกันนุ่งแบบเดียวกันงางแบบเดียวกันเพื่ยังว่ารู้ตามเห็นตามเข้าใจตามคล้ายคลายคือกันเจบ้บมกคือแท้กับอันหนึ่งคล้ายคลายคือกัน พ้อหาฝึกขัดได้อันนี้ยฝึกขัดกายทำฝึกขัดลูกทำยิ่งว่าพระทำยอมรักษาผู้ประพฤติธทมไม่ให้ตกไปในที่ซุ้ยว่ะเขาเป็นพระธรรมเนยบุตรได้เป็นผีธรรมเนย์คันเป็นผีธรรมมักสันดานของผีผีกับคนจรรึงเล่ากันบ่ได้ผีกับตัดเดลซาจึงเล่ารรกันบ่ได้เพราะมันบุรู้จักภาษากันเนย มันต้องรู้จักภาษากันที่ผมว่านีโบต้องไปเรียนภาษาอินเดียได้ดีนี่ว่าภาษาคนไทยเด้เพราะผมเป็นคนไทยเด้สูตรที่ผมเรียนมานี่ที่ผมรู้มานี่ก็บโบต้องแปลอีกส้วยนึ่งนะผมว่าภาษาไทยแท้ดินะอันโบต้องแปลเป็นภาษาอินเดียได้ผมว่านี่มันสําเร็จมาในตัวมันเองเลย จว่าสูตรสำเร็จพันวาอย่างต่งแต่ตำลาพันวาจัในไต่ใจบุญจกักผมเลิกละได้ขม่มตัวรับรองได้จริงๆผมจึงสามาราสอนมาแล้วได้สามสิบปีแล้วผมว่าจะยังสีผมว่าผมอื่นการนานนั้นดีแต่ผมบกว่าเอามาเป็นอารีพบวกเอามาเป็นอารมณผมจะเอาอันนี้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 ทีเอาสี้ใดมาเป็นนิพพานนี่นิพพานก็คือความเย็นนั่นแหละนี่แหลความสงบความสงบแต่ว่าหยุดห่าครูบาอาจารย์หยุดหาวิธีทำเพราะเรารู้จริงมาได้ของจริงมันเป็นอังนั้นในเพิ่นว่าจรียว่าอาดีตที่ผ่านไปแล้วแก้บอดาอนาคตที่ยังพอทันมาถึงก็แก้บอดาเอาเจ๊เฮกจังใดบนนี้เอาอาดีตมาไว้ใกล้ใกล้กัน อาอนาคตอนาคตมาไว้ใกล้ตันให้มันอยู่กับปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้แก้ได้ประเดียวมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ที่นํามาเราให้ฟังพระทุกองคเลนทุกองค์แม่ขาวแม่ดําทุกคนถ้าจําแล้วทําอย่างนี้การปฏิบัติธรรมะทับนี้ควรเอาจิตก้าวหนะ้าพ่อคนมาเห็นเลยขันมาเห็นมานั่งมาเว่ามาคุยกันอยู่ บ่อเป็น่าแล้วกุฏิเขาก็พยายามจัดการกันเข้าแทงน้ํำนี่ผมก็อยากให้ยกขึ้มันสูงเอาน้ําไปมันได้ไกลนี่เป็นอย่างไรอย่างแทงน้าบ้านกุฏิอยู่กับคุณเพียงสองแทงยกสูงเอาเสามาตั้งอยู่แทงกุฏิดินเพื่อนกับอแทงยกสูงตั้งเขาเอาน้ําไปทางอื่นทางไกลได้กิน เนี่ยหกแทงแล้วเนี่ยเขาแทงน้ํานี่พุมจินแล้วเหาถ้าคนใดบด่ดีอยากให้หนีโอ้ซือซือนแล้วผมมันเบืองน้ําได้นี่เบืองไฟไตอีตเต้เบืองกุฏิอีตื่นเตมันมาทําให้มูอเสียด้หนิคนหวังดีต่อมูอคนหวังดีต่อมูอต้องเสียสละกเสียการเสียงานทําการทํางานทดแทนกันเป็นวันอย่างสั้น การปฏิบัติธรรมะก้าวหน้าก็ต้องเห็นเพื่อนธรรํามเราก็ต้องมีความละอายในใจคันเพื่นธรรํามโตอย่างนอนอยู่โอ้ยมันเป็นทีแล้วผู้ยังสัน่นเลิกละจากผมตัวโบได้สันดานของสัตว์แล้วนั่นสันดานของผีแล้วนั่นคนเล่ามันบม่รู้ภาษาแล้วนั่นผมว่านี่บุญเป็นบังคับผมว่านี่บุญเปนส่งเสริมว่าด้วยคมหวังดี ว่าด้วยความพวกคนที่ตั้งใจอยากทําอยากเปลี่ยนแต่นิสไซเดินสันดานของเขานิสัยเดินเดินเมืมันเป็นอย่างซันสันสดานเดินเดิน ม, มันเป็นอางนันต้อ ง, งแก้เอาตัวเองให้ผู้อื่นแก้ให้บ่ได้พระพุทธเจ้าเองก็แก้ให้บ่ได้เป็นว่าอันนี้เจ้าคณะอาเภอเสียงคานไว้ยปกฟังแต่ผมโบกจักหอกว่าอาคาตาโลตถาคาตาเต็ พัตถาคตเป็นแด่เพียงผู้บอกผู้แนะนำเท่านั้นการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของเธอคนที่ได้รับกับเธอได้รับเองนี่เป็นว่าอย่างสัง้นอันนี้ผมว่าบทพินพ์มีแต่ว่าให้รู้จักการรู้จักงานรู้จักหน้าทีถึงเวลาต้องตื่นผมบอกไว้ปีสาตี4ี่ลุกแล้วมาเดินจมกลมรอบๆศาลา มือแลงเอมาเดินจมกลมรอบๆตลาดหรือมือสวยเขาจีนเดินจมคลมอยู่นักกุดเราก็ได้เลิ่มมือ ก, ก็เดินเอาก็เดินสนุะขันมู่เดินหักไปนั่งขุดคูอยู่ก็ผู้ปีทานแล้ววุ่นมีคมละอายในใจไดเนี่ยวุ่มีคมละอายได้จริมันจิตตื้นตได้บอกมันต้องสำลักอยูออ่เสมอผู้ใดรักสนโตเขาก็ต้องรักพระพุทธเจ้าพยายามให้พระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในตัวเขานี้ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์คนว่าต้องเคารพพระธรรมพระสงฆ์ทุกพระองค์ต้องประพฤติปฏิบัติตามคำแนะนําของพระธรรมในคนว่าพระธรรมยอมรักษาผู้ประพฤติธรรมเนี่ก็โตเฮานี่หละว่าเป็นพระธรรมโตเฮาทํามดีก็เป็นพระธรรมสนุ้โตเฮาคิดดีก็เป็นพระธรรมสนุวงโตเฮาว่าดีก็เป็นพระธรรมสนุ้ ได้ยีปราบเอาผ้าธรรมที่ใดเหมาอีกตื้นยีเอาผ้าธรรมเข้าในหูจมูกเขาเนี่ยมันยีเข้าได้บ่ยวเข้าหูหูมันก็เข้าบ่ได้ยีเอาเข้าในลูกตานี่มันก็เข้าบ่ได้ผ้าธรรมนั่นจือคือโตผลทุกขนนั่นแหละทำการทํางานโดยไม่มีทุกเพื่อนผ้าธรรมนิพพานนั่นแหละคือทําการทํางานอยู่ด้วยความไม่มีทุก เพิ่งังว่าพระธรรมยอมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปในตัวอันนิ้พานนั่นคือควมดับดับให้มันได้แท้ๆนี่ผมรู้อันนี้แล้วผมจำนึกปูจีวาอย่างสิเรื่องให้ทานรักษาสิ่งกินเ จ, น, จ น, นั่นดีแล้วนนมันเป็นคำสอนของศาสนาดึกดำบรรเก่าแก่มาเลยเขาสอนกันลัดลเดี๋นี้เอนนื้อใจเดียวได้โลด อันเรื่องเลิกนั่นอันเรื่องขับจิตขับใจนี่เพรเอาฟังแล้วก็เลิกได้โลดเด้ตอนปฏิบัติให้เอาสู้สําเร็จเกิดขึ้นนั่นแทอันนั้นต้องใจเวลาต้องใจเวลาคือย่างผมว่านี่แหละคือ ย, อย่งอย่างรบวานเ็ส <He ads S 2> จังซี่แล้วผมคํานวณไว้เอ้าวพระบุตรเจ้าบอกไว้ผู้ที่จเจริญสติประญานที่ให้ติดต่อกันเหมืนลูกโซ่จ อ, อย่างนานจิต ปีย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันมีนนอานิสงส์สอประการนันนึ่งเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันศาตรนี้ถ้าหากเรได้เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันศาตรนี้นั้นต้องเป็นพระอนาคามีแน่นอนที่สุดกระนั้นอนั้นบ่มีผู้แนะ น, ำนํำได้เห็ุด้วยศรัทธาเท้ทเด่น เสื่อมันคนขัวหาสูสรสํารทจผมว่านี่มันมีผู้สอนมีผู้สอนจังหวะมีผู้สอนเทคนิคคนไกลมีคนว่าให้ฝังอ้าวผมรับรอว่าสาปีให้มันติดต่อกันจริงๆฝึกหัดตัวของเาจริงๆมันจงนิ่มนวนลงไปเลเทุ่งบทถึงที่จุดแท้กับตังรู้จักเพราะผมว่าเล่น รวมจริงมันเป็นนคะนครับตนตัเขางจิตจืจ้อไปหมดถ้ามีฝันเฮานี่มันคจะลุ่ยจิกลับคืนเข้าไปสู่สภาพมันหมดมันจะบ้ออกมาทาข้างนอกเนี่ยเ่จบหลักสูตรอันนี้อันนี้แหละเพิร์ว่าคนเกิดมาร้อยวันพันปีหากบูรุษจากสภาพหรือภาวะอากาศเกิดดับอันนี้ชีวิตของคนนั้นก็เป็นหมันเป็นโมฆะมัน บวชมาร้อยพันปา ก, ก็ตามถ้าหากโบหุ่นยักอันนี้อันนี้สรงการบวชของผู้หั่นเก่าเป็นหมู่คะบนมีอันนี้สรงอันนี้บัดนี้คนเกิดมาเมื่อเดียวนึงบัดนี้รู้เห็นอาการเกิดดับอันนี้มีค่ามีราคามากเคนเกิดมาเมื่อเดียวมาจี้ฟังเป็นเนี่ยมันก็กินเขา้าวเปลี่ยนนั่งกระบืเปลี่ยนห้องตังแยกตั้งแงกอยู่ทีอันพวกเฮานี่แหละฟังอยี่ยพ่อว่านี่แหละ ฟังเชื่อดีเราเข้าใจโลดนี่ เ, เปลี่ยนแปลงได้มีอานิสงฆ์มากคนว่าไงบัดนี้บวชมาแล้วก็มาฟังแ ล, ล้วรู้จักสภาพภาวะอันนี้อาการเกิดดับอันนี้มีอานิสงฆ์มาคนอย่าว่าตั้งใจฟังตั้งใจทำอย่าให้มันถอยหลังอย่ามีการพูดการคุยกันมากมนออกก็คือกันเพราะ อ, อกก็คือกันพระเอาคือการทุกองค์ ห้าหากเอาให้จังซีแล้วทับมือควรเอาจีคอยก้าวไปก้าวไปครับเป็นนัครับแล้วก็ใส้ทุกสิ่งทุกอย่างพยายามช่วยกันแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่บดีให้มันดีขึ้นใครมันดีแล้วมมทันดีเองผมบ่ได้ดีเด้ดดีจงังใดเลยดีตั้งแต่ว่าผมวาสุ มูท่านเป็นคนดีเองมูท่านเองเป็นคนประกาศต่อไปพระพุะธเจ้าตายแล้วก็มีสาวกประกาศมาเนี่ยบัด น, นี้ผมตายแล้วก็ลอมึงดูไว้สิเหล่ามึงดู <c oughs> ผมว่าคนที่มีปัญญาขึ้นมาคนสร้างโบสถ์สร้างสิบหมดเงินเป็นล้านทําให้เป็นพระอาริยบุคคลบ่ได้ปีกายนี้เปิดอบหลวงนี่มีคนไปเล่าให้ผมฟัง รู้จักบวไหว้ผีบวไหว้เทวดาสูตรต้นต้นโเสื้อเลือกงามยามดีนี่ผู้นั้นได้สูตรต้นต้นสําเร็จขึ้นมาจากยี่สิบวหลายบัดนี้กลงพันษาพันษานี้พันษาที่แล้วนี่ก็มาเลาะเตาะแตะปมันคงกับว่าได้ขุมมาเพราะว่าการปลูกสร้างทำ ม, มาปีที่ผ่านปลูกสร้างกันน้อยไปพันษานี้ต้องคุมกันจริงจรงจังจ ระยะสองเดือนกวน่านี่ต้องพยายามฝึกหัดดัดนิสัยตัวเองให้มันก้าวหน้าทุกคนการปฏิบัติมันจะไปเพ่งมหมเพียงทําให้มันสบายสบายมองไปพุ่นมองมาท่ให้มันคิดอย่าไปห้ามข่มคิดมันยิ่งคิดเรายิ่งรู้มันยิ่งบูคิดมันก็ยิ่งโมรูแล้วคือนักโมยนี่ เขาเรียนโมยเก้งเหมือเจ้าโบเคยไปซกในสนามจากักรยานเขาจิ้งหัวจักว่าเขาเป็นแซมเปี้ยนได้บอกผู้คนผู้ที่เขาเจ้าโบเคยไปเข้าโดงกึง่งโบเคยไปโรงเรียนเขาเจ้าเป็นแอดรถคันรถน็อตตัวใดเสียอามึงไปแปลงแอดรถแด็ดมันเข้าไปมูนจําได้เลยผู้ไปเรียนจบสร้างคนออกมาแล้วบางทีขับรถยนต์โบเป็นซําก็มีผู้หัวจักน็อตตัวนั้นตัว น, นี้ก็มีซ้ำ แอดรถนี่มันเฮ็ุซืมือมาจับซื้มือมันก็เลยรู้จักขับรถยนต์ไปรู้จักจับน็อตตนั้นแส่ตนี้ได้เนี่ยมันเป็นบนัดิตนักมวยคือกันเรียนแล้ววิ่งเคยขึ้นเวทีบทัดฑีตไ่ได้เป็นนักมวยตองขึ้นเวทีบ่อยๆซกบ่อยๆรู้จักจก็บบนหันเขาซกมาอย่างสั้นรู้จักรับบนนี้แก้ไขเลยผลที่สุด คนเคยศกก็เลยสนะทุกครังทุก็ได้เป็นแสนเปี้ยนสนุวะจีนมีเรื่องอยังไงการปฏิบัติธรรมะของเฮาก็าเช่นเดียวกันขันท่าขึ้นขึ้นลงลงแพ้บ้างชนะบ้างโอ้ไ่ปเป็นทาแล้วอันนั้นเดี๋ยวตั้งเมื่อตั้งตัวตั้งตนศีวิตใหม่กับตนศีวิตใหม่มาศึกษาเล่าเรียนสูตรลัดหลักสูตรยอดยอดสเร็จรูปขึ้นมาเองเป็นไงกัน เขอินสูตรสำเร็จอันนี้สูตรสูตรนี้มีแล้วในคนทุกคนโบนยกเอินจะถือศาสนาพุทธก็มีสูตรนี้จะถือศาสนาชิกกามีสูตรอันนี้เป็นคนไทยเป็นคนจีนเป็นคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกา ก, ก็มีสูตรสูตรดีเหมือนกันแต่คำพูดนั้นอาจจะไม่เหมือนกันที่ผมพูดนี่ผมเป็นคนไทยเด้ ผมกับพูดภาษาไทยเสนวอแต่ผมกัพูดภาษาไทยบเป็นพูดภาษาอที่ได้พูดเป็นจนี่เป็นวัดสุดสาเร็จอืมเมื่อสําเร็จแล้วก็ตอนลู่จักมีญาณเกิดขึ้นวัดซาสสิ้นแล้วพบสิ้นแล้วผมอาจารย์จบแล้วกิจอื่นไม่มีกิจการตุกษาหลักพระพุทธศาสนา จ, จบนี้นี่เป็นางานที่นํามาเราให้ฟังมือนี้ก่อ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 ให้พวกเราได้เจริญลอยตามอย่างที่พระพุทธเจ้าวานั้นว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตแต่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าเขาเป็นสาวกพุท ธ, ธจึงว่าเขารู้ตามเห็นตามเข้าใจตามพระพุทธเจ้าเพราะที่สี่มีพระพุทธเจ้าบุนว่า ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่ง น, นั้นและจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้ใจเห็นจะเป็นจะมีย่างเราตถาคตนี้เห็นเป็นมีเหมือน ก, นกันกับพระพุทธเจ้า